ก็น้อน้อมต่อพระรัตน์ก็กราบบูชาหลวงพเทียนหลวงพ่อคำเคียนกราบพระอาจารตุ้มอารย์ปิติลักษณ์ทมิกก็เจริญพรไม่ชี้ยัดโยมเนาะนั่งมือลงตามสบายใครจะเคลื่อนมือไปด้วยก็ได้สิบสีจังหวะใครจะฟังเฉยๆก็ได้ เช้าีเป็นอีกเช้านึงเนาะที่มีกลุ่มได้เข้ามาที่วัดบางคนก็จะไม่ได้คุ้นชินกับการได้ตื่นเวลานี้บางคนก็ทําการทํางานทำอาชีพที่ต้องตื่นก่อนเวลานี้ก็มีเข้ากะดึกเข้าตอนกลางคืนอะไรต่างๆ เวลาที่กายมันตื่นแล้วมาทีหนึ่งจิตใจบางทีมันก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่างกายของเราแต่บางทีร่างกายมันก็ยังไม่ตื่นแต่ใจมันก็ตื่นก่อนมันเวลาที่เราฝันสิ่งที่เรามาปฏิบัติคือมาลองสังเกตกายสังเกตใจของเราดูว่ามันมเกิดอะไรขึ้นกับมัน มันมีปฏิกิริยาต่างๆมันมีอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ค่อยได้สังเกตเห็นมันทำยังไงให้เราได้มาสังเกตเห็นมันอย่างที่เมื่อวานให้กลุ่มได้ลองดูคือบางทีร่างกายมันอยู่ที่เนี่ยร่างกายมันอยู่ที่วดัดมันอยู่ตรงเนี้ย แต่ทีใจมันก็หลุดรอยไปในที่ที่หนึ่งทีใจมันก็ลอยกลับบ้านลอยกลับไปหาจุดที่เราพึ่งจากมาลอยกลับไปหาเรื่องราวต่างๆลอยกลับไปหาผู้คนที่มันไหลไปจิต <c oughs> ใจมันก็เดินทางได้รวดเร็วแล้วก็เดินทางได้ไม่ง้อยานพาหะอะไรต่างๆ ไม่ง้อการเวลามันไปได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็จะหลุดเข้าไปในร่องรอยเหมือนดนดูดเข้าไปในโลกอีกโลกหนึ่งหลายคนก็น่าจะเคยนะบางทีนั่งใจ ล, ยลอยๆดนดูดไปอยู่ในอีกมิตินึงว่าง่ายๆถ้าพูดเหมือนหนังพูดถึงพูดเหมือนคล้ายๆละครพูดเหมือนคล้ายๆ วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆมันโดนดูดหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกโลกหนึ่งที่มันก็เหมือนจริงนะแต่มันก็อาจจะไม่ได้จริงอย่างที่เรารู้สึกเราก็เลยฝึกให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เป็นจุดสังเกตการเคลื่อนไหวสิี่จังหวะก็เหมือนให้มันมีจุดที่เราจะสังเกตให้มันกลับมา มันสร้างบ้านให้มันใหม่สร้างบ้านให้ใจใหม่สร้างหลักสร้างหลักให้มันมีจุดสังเกตเกิดขึ้นพอเราเริ่มมีหลักละเมื่อครั้งใดหรือเมื่อวินาทีใดหรือเมื่อเหตุการณ์ใดที่มันใจมันหลุดไปมันก็จะจะได้สามารถกลับมาหาหลักกลับมาหาหลักที่มัน อยู่กับร่างกายของเราตรงนี้ได้เหมือนใจที่มันได้กลับมาอยู่กับบ้านมีบ้านที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็สามารถนำมันกลับมาใช้ได้กลับมาอยู่กับที่ที่มันควรจะอยู่ให้มันได้พักผ่อนให้มันไม่โลดโผลนมากนะักแรกๆของการฝึกก็เป็นอย่างนี้นะก็จะฝึกให้ใคล้ายๆกับใจมันมีที่อยู่ ฝึกนิสัยใหม่ก็ได้เรียกว่าอย่างนั้นฝึกนิสัยใหมให้มันสามารถกลับมาอยู่กับท่าทางอยู่กับอิริยบทที่เราตั้งขึ้นมาหรือที่มีรูปแบบอะไรต่างๆพอเราเริ่มฝึกแล้วเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นสังเกตเห็นได้ว่าเออบางทีใจมันก็อยู่กับกายตรงนี้เนาะ บางทีใจมันก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายตรงนี้บางทีใจมันก็หลุดลอยไปตรงไหนต่างๆตามจริีตามนิสัยที่มันเคยไหลไปพอเราเริ่มสังเกตเห็นได้แล้วก็กลับมาใหม่ยังไม่ต้องตกใจนะเวลาใจมันไหลไปไหนแต่ว่าเราก็กลับมาหาสิ่งที่เราทำกลับมาหาร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่างตอนนี้หลายคนก็เคลื่อนมือ หลายคนนั่งหาวหลายคนอาจจะเกิดอาการง่วงก็พยายามปลุกเหมือนกันปลุกตัวเองให้กลับมาอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวเมื่อเราเริ่มปลุกตัวเองเมื่อเราเริ่มฝึกนิสัยนี้ไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีนิสัยที่มันกลับมาหา การเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่บ่อยๆซ้ๆซําๆจนมันเริ่มชินเมื่อมันเกิดการคุ้นชินมากขึ้นทีนี้จิตใจมันก็จะเริ่มกลับมาอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เองโดยที่เราไม่ต้องบังคับมันมากนักโดยที่เราไม่ต้องขู่เข็นมันมากนักแต่แรกๆมันก็ต้องบังคับนะ แรกๆมันต้องบังคับในระดับหนึ่งมันอย่างที่บอกเป็นการฝึกนิสัยก็ต้องบังคับในระดับหนึ่งเราอยากที่จะพัฒนาความสามารถอะไรต่างๆเช่นอยากที่จะหัดขับรถสมมุติเราก็ต้องบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองขึ้นไปนั่งอยู่ในที่คนขับบังคับตัวเองให้ได้เรียนรู้ในการ ทำความคุ้นเคยกับการจับพวงมาลายัยกับการเปลี่ยนเกียร์กับการเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรต่างๆแต่เราอาจจะบังคับด้วยความอยากเราอาจจะถูกบังคับด้วยความตื่นเต้นคืออยากจะทําไม่ได้นะมันก็เลยมีแรงที่จะทําบังคับตัวเองหรือเราอยากที่จะมีความสามารถอะไร สักอย่างอยากจะเล่นกีฬาอะไรสักอย่างให้เก่งเราก็ต้องฝึกซ้อมบังคับตัวเองให้มีการฝึกซ้อมทำสิ่งนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆจนมันเริ่มคุ้นชินเป็นนิสัยจนเราเริ่มมีความคล่องแคล่วในการทำมันมากขึ้นพอเราเกิดความชำนาญพอเราเกิดความคุ้นเคยเราก็จะเริ่มทำมันได้อย่าง ออกแรงน้อยลงการบังคับนั้นก็จะเริ่มน้อยไปแต่เราก็สามารถทํามันได้อย่างเหมือนการเคลื่อนไหวมือเหมือนกันเรามาส่วนใหญ่ก็ได้มาเริ่มรู้จักเมื่อวานในการเคลื่อนมือ14จังหวะเมื่อวานก็จะเป็นวันที่เรายังต้องคิดยังต้องจดจําอยู่ ถูกไหมว่าเออสิบสี่ท่าเนี่ยมันเคลื่อนได้ยังไงท่าไหนก่อนท่าไหนถูกท่าไหนผิดบางทีถ้าเราทําล้วใจมันเหมือลอยไปบางทีมันก็ทําผิดจังหวะแต่มาเช้าดีเพิ่งคนกาจะเริ่มคุ้นแล้วนะทําโดยไม่ต้องคิดก็ได้ทำโดยไม่ต้องไม่ต้องคอยมา กำกับมันว่าเออจังหวะต่อไปมันจะเป็นยังไงร่างกายมันเริ่มคุณละเมื่อร่างกายมันคุณเราก็เริ่มสังเกตใจของเราได้มากขึ้นใจบางทีมันก็อยู่กับการเคลื่อนไหวบ้างบางทีมันก็ไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวพอมันไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วก็มันกลับมามารู้สึกกับสิ่งที่เรากำลังทำ นี่คือหลักง่ายๆของการเจริญสติโดยใช้ร่างกายเป็นฐานโดยใช้ร่างกายเป็นเป็นส่วนประกอบทำไมเราถึงนุ้งใช้ร่างกายเป็นส่วนประกอบจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่จะเราใช้เป็นหลักในการเจริญสติได้แต่ว่าที่ใช้ร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นส่วนที่มันอยู่กับเราตลอดถูกไหม มีร่างกายที่มันไม่ได้อยู่กับเราบ้างไหมในบางจังหวะบางเวลามันก็อยู่กับเราโดยตลอดเนาะบางคนอาจจะมีครบ32บางคนอาจจะมีไม่ครบแต่มันก็อยู่กับเราเราก็ใช้มันนี่แหละเป็นส่วนประกอบในการดึงดึงจิตให้มาตั้งเอาไว้บางคนอาจจะหาว่าเออจิตเราอยู่ที่ไหนเนาะจิตใจเราอยู่ที่ไหนเราลองกระทบสัมผัสตอนเนี้ย เรารู้สึกที่ไหนจิตใจเราตอนนี้เราก็อยู่ตรงนั้นทันทีที่เรากลับมารู้สึกที่มือที่เคลื่อนไหวกระทบสัมผัสจิตใจเราก็อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้หลลอยไปแต่บางทีถ้าใจมันหลงไปออกไปข้างนอกไปหาผู้คนไปหาเสียงไปหาการปรุงแต่งอะไรต่างๆใจมันก็จะไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวละถึงแม้มือเราจะเคลื่อนอยู่ แต่เชื่อมั้ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงแม้มือจะเคลื่อนอยู่แต่บางทีเราก็ลืมที่จะกลับมารู้สึกมันตรงนั้นพอเราเริ่มเอาร่างกายมาเป็นหลักเป็นจุดสังเกตแล้วก็เออเริ่มได้สังเกตสังเกตให้ใจมันสังเกต จิตใจที่มันคอยแวบไปแวบมาอันนี้เป็นเทคนิคการปฏิบัติเป็นจุดสังเกตง่ายๆเริ่มต้นพอทำไปทำไปเราก็อาจจะคนใหม่ๆนะส่วนใหญ่ทำไปก็จะเริ่มคล้ายๆกับว่าเราก็อยากที่เราจะทำไม่ได้เราก็อยากที่จะทำให้เรารู้สึกได้ต่อเนื่อง เราก็จะเริ่มบังคับหรือข่มใจอะไรต่างๆไม่ให้ใจมันไหลออกไปข้างนอกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเวลาเราทําอะไรสักอย่างเวลาเราตั้งใจที่จะทําอะไรให้มันได้ไม่ได้หมายถึงแค่การปฏิบักษ์ทำแล้วก็พยายามที่จะควบคุมมันแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการ ถ้าเราเริ่มยกมืออย่างเงี้ยแล้วเราพยายามที่จะกดข่มตัวเองสังเกตง่ายๆนะถ้าเราลองเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะแล้วเราก็ลองมองไปที่ใดที่หนึ่งหรือว่ามองไปจุดข้างหน้าของเราตรงพื้นข้างหน้าของเราแล้วก็พยายามที่จะรับรู้กับร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เงี้ย ทำไปสักพักเราอาจจะเกิดอาการเกร็งเราอาจจะรู้เกิดอาการรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกตึงๆหนักๆแต่ถ้าเราลองเคลื่อนมือแล้วเราก็ลองเปิดตาสบายๆมองซ้ายมองขวาม อ, มองนู่นมองนี่มองไปที่ด้านหน้ามองไปที่ด้านข้างรับรู้ด้วยถึงลมที่มากระทบร่างกายรับรู้ได้ด้วยถึงเสียงอะไรต่างๆเราก็จะ ทำในความรู้สึกที่สบายมากขึ้นการฝึกการเจริญสติการฝึกมาสังเกตใจที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องบังคับให้ใจมันอยู่กับที่เพราะธรรมชาติของใจธรรมชาติของจิตใจเรามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันมีหน้าที่ทํางานของมันหรือคูบาอจารยรลวงปู่เทีนเนี่ยจะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องของความคิด ความคิดมันก็มีหน้าที่คิดถูกไหหน้าที่ของความคิดหน้าที่ของระบบการคิดมันก็คือการคิดเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมันก็คือเราก็จะไม่ห้ามมันในเวลาที่มันคิดแต่ว่าเราก็จะทำหน้าที่ของเราควบคู่กันไปทำหน้าที่ของเราที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น แรกๆมันจะเหมือนรับรู้แบบคู่ขนานนะมันจะเหมือนเออใจก็คิดไปแล้วเราก็รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไปด้วยแรกๆมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าเออมันก็ขนานกันไปแต่หลังๆมันก็เออจะรู้สึกว่าเห็นกายเห็ใจที่มันเริ่มขยับเคลื่อนไหวไปแต่ละจุดแต่ละจุดเออบางทีเียมันก็คิดเนาะ บางทีเดี๋ยวมันก็ไม่คิดมันก็กลับมาอยู่ตรงนี้เราก็จะได้เริ่มสังเกตกันพอเราสังเกตแล้วก็จะนี่พูดคร่าวๆเนะาะไม่อยากจะลงลึกไปมากเดี๋ยวจะงงพอนี่ก็ถือว่าเป็นเช้าวันแรกของพวกเราส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแล้วก็จับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ เริ่มจากการตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวอยู่ใช้คําว่าตลอดเวลาก็ได้นะการเริ่มตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมาฝึกนั่งเคลื่อนมืออย่างนี้ยีชั่วโมงต่อวันนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีอิริยาบทต่างๆอย่างเมื่อวานก่อนที่จะปล่อยให้เราไปนอนจำได้ไหมคือให้เราได้อยู่กับตัวเองคนเดียวพยายามอยู่นิ่งๆเงียบๆแต่จริงๆมันก็มีจุดที่เราสังเกตได้ เวลาที่เราแยกหรือเปลีกตัวไปใช้เวลาสุญตัวต่างๆเช่นตอนนี้เราเคลื่อนไหวมือแล้วก็รู้สึกรู้สึกที่กระทบสัมผัสแต่เวลาที่เราเปลี่ยนเอเรียบท่างๆเช่นเราต้องการที่จะหยิบกระเป๋าล อ, ลองหยิบกระเป๋าดูก็ได้ไหมคนใหม่เอามือหยิบกระเป๋าของเราขึ้นตอนนี้ลองทาดู หยิบกระเป๋าเรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวไหมเรารู้สึกจับแล้วเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงเนื้อผ้าไหกระเป๋าผ้าของเรารู้สึกลองเปิดออกมาดูสิมันมีอะไรบ้างค่อยๆหยิบจับออกมาขวดน้ำในนั้นมันรู้สึกยังไงเวลาที่เราจับต่างกับรู้จักต่างกับความรู้สึกที่อยู่ที่เนื้อผ้าไหมต่างไหต่างเนอะบางคนหยิบกระดาษที่ช่วออกมาอย่าเพิ่งอ่านสิ ออให้หยิบกระดาษทิชชู่ใช่ให้เราเริ่มให้เราสังเกตกิจกรรมที่เราทำคือเราได้สังเกตกับกับความรู้สึกที่เราได้ที่มือของเราเนี่ยเวลาเราหยิบจับอะไรต่างๆถ้่เราหยิบจับกระดาษทิชชู่เราก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งรู้สึกนุ่มแข็งรู้สึกเย็นร้อนอะไรต่างๆในการจับเป็นจุดสังเกตนะค่ อ, คอยๆวางกระเป๋าไว้ข้างๆรู้สึกมือที่เคลื่อนไหวไหมไปกับการวางอะไรต่างๆ เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะรู้สึกได้กับอิเลยโบต่างๆเวลาเราไปนอนเวลาเรากลับไปที่ห้องนอนของเราเราก็หยิบจับกระเป๋าอะไรได้หรือแม้กระทั่งกินข้าวนะเดี๋ยวเช้านี้ต้องทานข้าวเราสามารถรู้สึกการจับภาชนะการหยิบชานหยิบช้อนหยิบตัดอาหารเข้ามาในปากรู้สึกกการเคี้ยวรู้สึกกับฟัน ที่มันกระทบกันรู้สึกกับริมฝีปากรู้สึกกับกระพุ้งแก้มดันในที่มันมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเราก็กลับมารู้สึกตรงนั้นได้เป็นจุดสังเกตอันนี้คือเวลาที่เราไม่สามารถที่จะนั่งเคลื่อนมืออย่างนี้ได้แต่เราก็รู้สึกได้เวลาที่เราเดินไปห้องน้ำอย่างเมื่อวนานพาเราเดินจงกรมเนาะที่บอกว่าให้เดินเหมือนเดินเหมือนปกติที่เราเคยเดินอะไรต่างๆแต่ว่าเราใจไปรับรู้เวลาที่เรา อยู่กับตัวเองก็เหมือนกันเวลาที่เรากำลังจะเดินกลับห้องพักจะเดินไปทานน้ำปานะอะไรต่างๆเราก็สามารถกลับมารู้สึกกับอิริยาบถต่า ง, ๆ ท, างๆที่เราใช้ชีวิตนี่แหละโดยปัจจุบันพอเราเริ่มรู้สึกก็ไปต่อเนื่องต่อเนื่องมากขึ้นมีความคุ้นเคยคุ้นชินมากขึ้นสิ่งแรกๆที่เราจะเห็นคื อ, เ, อ, อเราจะเริ่มรู้สึกโล่งโปร่ง ในหัวนะในความคิดมันก็จะมไม่รู้สึกหนักมากมันเคยบางคนที่เคยมีปัญหาเคยคิดสับสนอะไรต่างๆเคยคิดบกวนกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเราก็สามารถโล่งโปร่งมากขึ้นมีสติก อ, อิเลียบท่างๆได้มากขึ้นเหมือนที่เมื่อกี้เราสวดเราจะไม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรเราเคยไหม หรือพวงนึงสิ่งที่มันยังไม่มาถึงอันนี้ก็เป็นอาการใจลอยอย่างหนึ่งนะเป็นอาการที่ใจมันไหลไปหาอาดีตไหลไปหหาอนาคตเมื่อเรามีหลักในการเคลื่อนไหวแล้วเราก็จะสามารถที่จะกลับมารู้สึกได้อยู่กลับมารู้สึกกับปัจจุบันไม่แปลอดีตแล้วไม่แปลอนาคตแล้วกลับมารู้สึกตัวในปัจจุบัน แล้วก็คอยสังเกตเห็นลาใช้ที่มันไปอดีตบ้างใจที่มันไปอนาคตบ้างเราก็เอามันมากลับมาในปัจจุบันใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็ไปใหม่นะไม่ต้องห่วงอย่างที่บอกว่าใจความคิดมันก็มีหน้าที่คิดพอมันไปใหม่แล้วก็เอากลับมาทําใหม่แบบเนี้ยเป็นจ mm ุด hmm. ที่เราจะสังเกตพอเราทํามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มเ mm hmm. ขาเรียกว่าเปอร์เซ็นในการกลับมารู้เนี้ยก็มากขึ้น ความไวความไหวพริบของการมีสติของเราก็จะเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นเราก็จะเริ่มมีเปอร์เซนที่จะรู้มันมากขึ้นหลวงพุทธยนก็จะบอกเป็นเปอร์เซนท์นะนะเคยบอกเออแรกๆท100ํา้0 0รู้สัก 5% าร์ท์ตามไปทามารู้สักสิบรน่เปอร์เซน์ก็จะเริ่มพาขึ้นมากขึ้นโดยการอาศัย ระยะเวลาใสคาคค่ความคุ้นเคยความคุ้ชินแต่ก็อย่าเพิ่งท้อใจนะมางคนอาจจะเออรู้สึกว่ามันนานรู้สึกมันจะต้องเป็นอะไรที่ยุ่งยากบางทีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าอุปนิสัยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางครั้งการที่เราเคยที่จะใช้ชีวิตมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบางทีมันก็สามารถนําหรือ นำมาใช้ได้ในการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้หมายถึงว่าเออทุกคนมาแล้วเริ่มใหม่มาเริ่มหัดภาษาใหม่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราก็เคยมีความตั้งใจในการทำการทำงานอะไรต่างๆอยู่แล้วเราก็เคยมีความพยายามมีความอดทนในการใช้ชีวิตเราก็เคยมีอารมณ์บางครั้งในสถานการณ์บางชีวิตที่เราอยากจะพูดแต่เราก็ไม่ได้พูดเคยไหม อยากจะพูดอะแต่เราบางทีเราพูดไม่ได้เรารู้ว่าเราต้องเงียบในสถานการณ์นั้นวิธีการใช้ชีวิตมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมันก็สามารถมาปรับตัวได้นํากลับมาต่อยอดนํากลับมานำกลับมาโอนหน่วยกิจโอนหน่วยกิจที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยมันตอนเรียนเนี่ยเราก็โอนหน่วยกิจมาใช้ในการปฏิบัติธรรมได้ มันก็เลยไม่ได้เหมือนการเริ่มใหม่นะการปฏิบัติธรรมที่เราทำหนึ่งนะเราแค่มาฝึกอีกอย่างหนึง่งพอใจมันเริ่มคุณชินละมันก็จะเป็นนิสัยของเราละเป็นนิสัยนิสัยแห่งการเจริญสตินิสัยแห่งการไม่ได้ไปอยู่กับในอดีตมากนักนิสัยแห่งการไม่ได้ไปอยู่กับในอนาคตมากนักเราเริ่มจะเริ่มใช้ชีวิตได้อย่างปลอดโปร่งมากขึ้น เมื่อใจมันปอดโป่งมากขึ้นใจมันก็จะเริ่มที่จะมีพลังมากขึ้นมีพลังงานสะสมเปรียบเทียบนะไม่ได้ถูกร0ออหรอกตามตำราแต่ว่าเปรียบเทียบมันก็เหมือนใจมันก็ไม่ได้ถูกใช้ไปตลอดทั้งวันก็จะเ ร, เริ่มเหมือนได้พักในขณะที่เราใช้ชีวิตตามปกติน่แหละทาการทำงานแต่เหมือนมีที่พักใจได้มากขึ้น พอใจมันเริ่มพักมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีประสิทธิภาพที่จะมาสังเกตตัวเองได้อย่างละเอียดมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับที่มันจะได้ฝึกตัวเองต่อไปพอเราฝึกอย่างนี้ยสัก3วัน5วัน7วันพอเราเริ่มมีนิสยัยละ คุณก็จะเริ่มงงนะเออทำไมการเคลื่อนไหวอย่างนี้มันจะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไงมันก็ไปใช้ได้นะแต่สิ่งนี้ใช้ได้คือเมื่อมันมีนิสัยในการกลับมาสังเกตร่างกายกลับมาสังเกตจิตใจละเวลาที่เรากลับไปบ้านกลับไปที่ทํางานกลับไปที่โรงพยาบาลเราก็จะเริ่มสังเกตได้ถึงอารมณ์หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาเราเจอการกระทบสัมผัสจาก ชะโคลมภายนอกเช่นมีคนมาพูดกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้โกรธนะก่อนหน้านั้นเราก็ลมเป็นปกติพอมีเห็นได้ยินเห็นใครคนนู้นทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บ้างหรือมีคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้กับเราบ้างแล้วก็ถ้าเราเผลอนะถ้าเราใช้มันไม่ได้มีหลักอารมณ์มันก็จะปี๊ดขึ้นมาจะเป็นความโกรธบ้างเป็นอะไรบ้าง เมื่อลมมันขึ้นมาเราก็จะได้สามารถรู้เท่ารู้ทันมันแล้วเราก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกได้ไปอยู่ข้างไปอยู่ข้างนอกอาจจะนั่งเคลื่อนมือ14บ่จังหวะแบบนี้ไม่ได้เนาะแต่เราก็สามารถปฏิบัติการพลิกมือตั้งพลิกมือลงเคลื่อนไหวเอามือเคาะขาขยับนิ้วเอานิ้วถูกันเนี้ยแล้วก็ใช้เป็นจุดสังเกตกับสิ่งร่างกายกับ ใช้ร่างกายให้มันเป็นจุดสังเกตในการฝึกสติของเราได้เอาช้าผู้โทนนี้จะง่วงเนาะพูดน้ำเสียงหลายๆนิ่งๆเฉยๆสบายๆหลายหลายคนอาจจะนั่งง่วงนะนั่งตัวตรงขึ้นม่ยืดปื๊บลองไปไกลๆ พยายามนั่งในท่าที่มันไม่ได้สบายมากนะักอาจจะนั่งพับเพียบก็ได้ถ้านั่งขัดสมาแล้วงวกนะการนั่งในท่าที่มันไม่ค่อยสบายก็จะช่วยให้เราไม่ได้หลับง่ายขึ้นมีส่วนนะถ้าเรานั่งสบายๆมีเก้าอี้ยิ่งได้นั่งพิงหลังนะยิ่งหลับง่ายเข้าไปใหญ่ แต่พอนั่งไม่สบายมันก็อาจจะเกิดการเกร็งการอะไรต่างๆร่างกายมันก็จะเกิดการเจ็บการปวดเราไม่ได้สาดิดนะแต่ว่าเราเราใช้มันเป็นจุดประกอบเป็นองค์ประกอบเพื่อที่ให้ร่างกายมันตื่นตัวขึ้นมาเหมือนยังปฏิกิริยาของร่างกายกเหมือนกันบางทีถ้าเราดู้สึนเหนื่อยแล้ร้อน หรือรู้สึกหิวหิวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ง่วงนะรู้สึกอึดอัดเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะง่วงเท่าไหร่เห็นไหมแต่ถ้าเริ่มสบายสบายอะไรเงี้ยหรือเราเรานอนเงี้ยเดีนี้มีเครื่องปรับอากาศถ้าเราเปิดแอร์ตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเลยตั้งแต่เราต้องตื่น6มงเรวก็เปิดแอร์ทิ้งไว้อย่างั้นนะตั้งแต่ตอนกลางคืน เรสังเกตเห็นเวลาตื่นขึ้นมาบางทีมันไม่ค่อยสดชื่นนะยิ่งถ้าเราเปิดแอร์เย็นๆร่างกายมันเหมือนเอ้ยอยากจะนอนต่ออยากจะพักต่อเหมือนสัตว์ที่มันหน้าหนาวแล้วมันจําศีลน่ะหน้าหนาวแล้วมันก็ไปหลบระคลายกล้ามเนื้อคลายอะไรต่างๆให้มันอยู่ในสภาวะเฉยๆเวลามันจะตื่นขึ้ น, นมามันก็ตื่นยากนะท้อง อาศัยเวลาต้องอาศัยการปรับตัวอาศัยการปรับอุณหภูมิร่างกายมันก็ไม่ค่อยจะตื่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเออเราจะนอนตอนยังคืนแล้วเราต้องการจะตื่นหกโมงสมมตินะเราก็ตั้งเวลาปิดแอร์ไว้ที่เท่าไหร่ตีสามตีสี่ตั้งปิดไว้ก่อนเวลาเราตื่นขึ้นมาอุณหภูมิในห้องมันก็จะเริ่มไม่ได้เย็นมากลว เริอุ่นๆสบายๆร่างกายมันจะเริ่มพร้อมแล้วนะเพราะว่าระยะเวลาตั้งแต่ตีสามตีสี่อุณหภูมิมันก็เริ่มอุ่นขึ้นใช่ไหมเราปิดแอร์ไปร่างกายมันก็จะถูกปรับตัวตามนั้นมันก็จะพร้อมมันก็จะพร้อมที่จะทําการทํางานเราจะรู้สึกว่าเราลุกง่ายขึ้นถ้าใครที่มีใจไม่ค่อยแข็งแรงนะมีใจไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวเราก็จะรู้สึกว่าเออเรา มันอยากที่จะลุกออกจากเตียงมากขึ้นมันอาจจะอุ่นมันอาจจะมีเหงื่อซึมๆแต่นั้นก็ดีนะทำให้ร่างกายมันตื่นตัวพอไปอาบน้ำก็สบายไม่งั้นเปิดแอร์เย็นเย็นก็ต้องไปอาบน้ำอาบน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคต่างๆในการใช้ร่างกายในการใช้ จิตใจของเราทําไงให้มันเป็นองค์ประกอบที่เหมาะกับการฝึกเหมาะกับการใช้เหมาะกับการทํางานถ้าเห็นใจมันจะหลับจะหลับแล้วก็เออเคลื่อนไหวซะหน่อยทําให้เร็วทําให้เร็วขึ้นก็ได้นะทําให้แรงขึ้นในการเคลื่อนไหวมือกระทบสัมผัสปลุกตัวเองมองไปไกลๆนั่งหลังตรงๆหรือวันนี้มีการฝึกเร า, าจะได้นั่งซัก ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไว้หมนั่งอย่างเดียวแล้วก็เคลื่อนมืออย่างเงี้ยก็ช้เป็นอุปกรณ์การฝึกเหมือนกันปราะมันเคยทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆขอกายของใจเรามากขึ้นอนเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ตอนนี้ก็ตี5ละเดี๋ยวคนในวัดก็จะแยกย้ายไปทำภารกิจต่างๆ หลายคนก็ฝึกเจริญสติร่วมกันส่วนกลุ่มของเราก็เหมือนเดิมเนาะก็ยังอยู่ที่เนียเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใช้พื้นที่ใช้เวลาตรงเนี้ยสามวันวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่วันจันทร์วันพุธละหัสวันวันพุธวันนี้พุธนะหัสใช่ปะเออเป็นพระที่มันไม่ค่อยรู้วันเนาะทุกวันมันเหมือนกันหมดเลยใส่ชุดเดียวกันหมดจาไม่ได้อะวันไหนวันอะไร กิจวัดก็เหมือนกันตื่นมาใส่ผ้าสวดมนต์ไม่มีวันหยุดเลยนะทำวัดวันนี้วันพุธหัสเนาะวันพุหัสสุขเสาเรากลับวันอาทิตย์ใช่ไหมมีเวลาสามวันพุธละหสสุขเสาเตนะ็มเตมวันที่เราจะฝึกกันเราก็จะเริ่มอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอได้มีประสบการณ์ได้เห็นรายละเอียดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่า ทำมาแล้วเป็นยังไงแต่เราจะใช้เวลา3วันเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการฝึกสติแล้วให้เราได้คุ้นเคยกระใจที่มันมีหลักกระใจที่มันได้กลับมาหาความรู้สึกต่างๆเนาะแต่เรากลาบพระพร้อมกัน